เรื่องพระชัพคี 62. สมัยนั้นพวกภิกษุฉัพรคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้5้าถึงหคำจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน5้าถึงหคำพวกภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิปรานามพลธนาว่าฉนัยพวกภิกษุชัพคีจึงให้บรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคาม